เมื่อเช้าถามไปได้คนเดียวส่งกันบ้านไปแล้วค่หลวงพ่อที่เรื่องกลัวค่ะคือหลวงพ่อเขา ม, มีนิดนึงอะค่ะว่าตรงที่คร่ําครวญเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตมันไหลไปที่ร่องนั้นโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันเคยชินมันมันมีนิสัยชอบคร่ําครวนมันเรา ว, วิ่งไปหาสิ่งที่คุ้นเคย ให้รู้ทันมันเพราะเวลาอย่างนั้นใจเราจะประกอบด้วยโมหะแล้วก็มันจะไปปั้นความรู้สึกเศร้าๆขึ้นมาก็้วประกอบด้วยโทสะให้รู้ทันลงไปมนี่ยมันจะสวมวิญญาณนางเอกไม่ถึงขนาดนั้นนะคะหลวงพ่อคือมันเหมือนกับว่ามันเคยตัวที่ว่าพอพูดอะไรที่มันมันอินอะค่ะใช่ใช่ค่ะ เมอมันจบไปแล้วปุ๊บมันจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมจูนทําไมใจมันทื่อๆไปรู้สึกไหมไม่รู้ทันนะรู้ทันไปไปส่งตอบไปก็มีเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ครับสลับกันที่ละครับเอาจันจูนมานี่เหรอวันนี้ก็ตอนนี้มันตึงๆหน่อยครับ ก็ดูไปครับช่วงหลวงพ่อย้ายมาเสื่อมไปช่วงครับนะตอนนี้ค่อยฟื้นแล้วค่อย <c ười> รู้สึกไปนะอย่าไปบังคับมันเวลาเราบังคับบางทีมันตึงเข้ามาถึงร่างกายเลยเครียดไม่รู้เล่นๆคุณชาตพอน์เป็นไงนี่เรียนหมอนะแต่ไม่ยอมเป็นหมอไม่อยากเป็นหมอก็ช <c oughs> ่วงนี้ก็พยายาม <c oughs> <c oughs> หาเครื่องอยู่ก็ก็รู้บ้างเผลอบ้างไปเร อ, อยู่กับพุทธโธก็ได้นะอยู่กับพุทธโธพุทธโธ ท, ทั้งวันเนี้ยแล้วใจเราเฉลับซ้ายเฉล็บขวาเราไปรู้ว่าส่งมาข้างหน้ามาคืนเขามาอา้าวโสกี้เห็นกระต่ายนะ่ะเลยนึกได้อ๋อโสมานี่ยังหาตัวไม่เจอค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะเมื่อกี้ก็เห็นมีคนแอบชมขนมชั้น แต่ก็ไม่เห็นคนทํานะคะพอจะไปนั่งหลังเขาก็ชวนเพื่อนกินอร่อยมากอะไเงี้ยรู้สึกจิตมันโหหลวงพ่อมันฟูอยังยินดีอยู่เลยลนะคะ่ะช่วยไม่ได้มันยังยินดีเราก็รู้ไปก็ขนมเราอร่อยอะ่ะขอบคุณค่ะช่วยไม่ได้เนาะแล้วมันทําอร่อยอะ่ะฟูมากเลยะหลวงพ่อแล้วก็คือแต่เวลาเจอ เจอพวกวิบากอะไรอย่างเงี้ยหลวงพอ่อก็คือยังยังยังไม่ถึงขนาดเนี้ยมันมันเฉยๆนะคะอ่ามันคือมันรู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือพิจารณาเป็นใตรักไปได้อะไรงี้ยแต่ทีหลังน้ะไม่ต้องทำขนมก็ได้ถ้าขนมเนี่ยตื่นเร็วไปค่ะื่นร็วไปไวเวลามาเรียนเนี่ยนะมันจะเบลอๆอยังง่วง แต่ตอนขับรถมานี้จิตเบิกบานนะฮะหลวงพออ่อมีวรู้สึกว่าเหมือนจะมาวัดแล้วมันมันมดีค่ะดูนะเราถ้ามาแล้วง่วงทุกทีอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมาะนะพักเพียนเอาอย่าถอยนะภักเพียนไปเ อ, อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่แต อาจจะเป็นเพราะว่าจ้องไปหาความไอควาว่าสุขอะคะ่ะคือเมื่อกี้ยังนึกอยู่เลยว่าพ อ, อาหลวงข้อเล่าเรื่องที่จะขบอะคะ่ะมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไอนั้นเป็นความสุขแต่ว่าโอเคขาอะนะค ะ, ะแต่มันมไม่ใช่ความสุขพลหนันกันค่ะทีนี้ก็เลยกำลังก็เลยเหมือนว่าใจอะคะ่ะวิ่งหาความสุขตลอดอะคะ่ะเราให้รู้ทันว่าใจวิ่งไปค่ะ ถ้าใจวิ่งไปใจก็ไม่มีความสุขคมันไม่มีความสุขนะมันถึงวิ่งคถ้ามีความสุขแล้วไม่เป็นไหนเรามันก็สงบอยู่ค่ะแต่แต่ว่าเวลาเราเจอทุกข์อะค่ะเราเห็นง่ายกว่าจะสุขที่มันมันดูยากมากอเราเจอตัวไหนที่ดูได้ก็ดูตัวนั้นแหละเพราะฉะนั้นคือน่าจะดูทุกข์มากกว่าที่จะไปไม่ใช่ตัวไหนปรากฏรู้ได้ก็รู้ตัวนั้นนะไม่ใช่มีว่าน่าดูตัวไหนหรอกถ้าเรารู้สุก เราก็รู้รู้ทุกเราก็รู้เพราะสภาวะทั้งหลายเท่าเทียมกัน ค, คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเลือกว่าจะต้องดูแต่สุขหรือดูแต่ทุกนะ<ช>อะไรปรากฏรู้อันนั้นแหละง่ายๆค่อยฝึกไปเอ๊คุณมาลียังไม่ได้ส่งกันบ้านใช่ไหมส่งแล้วหนะลงอยู่เหรอตรงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ บางครั้งเห็นเวลาใจมันเริ่มเริ่ ม, มกๆเริ่มทำงานด้วค่ะ ม, มันเล็กๆปุบเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดความร้อนวู้บางครั้งมันก็แสบบางครั้งมันก็วาบวับพอถ้าถ้าทุกครั้งที่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นมันทำงานแล้วมันจะเริ่มแปลว่าไอ้เล็กๆแปลว่าโหแบบแบบแปลว่ากโกรธอะไรอย่าง<อ>นี้น่าใจมันก็จะขาดตรงนั้นเจ้าค่ะ แต่บางครั้งมันก็ไม่ทัน ก, ก็ได้แต่ตามดูมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจบถ้าเราเห็นมันผุดขึ้นมานะเรารู้มก็สลายไปถ้ารู้ไม่ทันก็ขึ้นมาครอบงําแล้วสภาพที่เห็นตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเห็นตัวกุศลเนี่ยจะชอบเจค่ะแมกกุศลเนี่ยจะผลักมันออกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเริ่มเป็นกลางมากขึ้นเค่ะว่าเอาเวลามันปิติเมื่อก่อนจะ ไหลเต็มที่เลยเจ้าค่ะมีามรสึว่าชอบเดี๋ยวนี้ก็เฉยๆแล้วก็มันก็จะตัดช่วงๆดีแล้วนะยังแต่มันยังไม่เป็นกลางเต็มที่ยังมีทำงานต่อให้รู้ทันมันวันนี้มันซึมๆฮะว่างไม่มีเหมือนไม่มีกำลังเลยครับทำไงเดียะก็รู้มันไปอย่างดีโอ้เนี่ยสอบได้แล้ว ฟังฟังเฉลยมาแล้วใจมันไม่เป็นกลางค่ะเพ่งค่ะแล้วก็พอเราอยากเพราะความอยากปใช่เนหะ็นไหมว่ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วกเกิดการเพ่งก็มีตัณหาแล้วเกิดการสร้างภพมีกิเลสแล้วเกิดการกระทํากรรมนี่หลายสำนวนนะจริงจิงเหมือนกันพนอะมีความอยากปุ๊บ <c oughs> บางวันเราก็เผลเอเผลอแล้วเพือนานแล้วเราก็สะมโหูอะไรอย่างเงี้ยโมโหรู้โมโหไป ตอนเผลอนะเผลอแล้วเผลอเลยช่วยไม่ได้คล้ายๆเดียวกันส้ะช่วงนี้มันฟุ้งซานมากๆจ้ะไปตรึงความรู้สึกไว้นิดนึงใช่ค่ะพอมันฟุ้งก็เลยอยากจะดีะ ม, มันเกิดความอยากแล้วก็กลัวไม่ดีก็เลยไปยึดมันแล้วก็ไปตรึงมันมากขึ้ออตอนช่วงนี้ก็เลยพอสองสาวันนี้เลยทิ้งมันจ้ะค่ะแล้วก็ตามสบายสบายขึ้นค่ะมันยังไม่ยอมสบายด้วยใช่ค่ะมันก็ยังหนักตามเดิมเมื่อเช้า ย, ยัางบอกเนาะจิตมันไปล็อกไว้แล้ว จิดไปตรึงไว้ต้องลืมคาว่าภาวนาลืมคาว่าปฏิบัติสะก่อนนะตอนนี้ก็เลยมาฟังซีดีหรืออะไรผ่อนคลายไปค่ะจริงหันไปดูข้างหลังนะแล้วยิ้มหวานๆที่นึงรู้สึกไหมหายแล้วสบายขึ้นแลง่ายจะตายไปแล้วตามดูตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไ้มเจ้าพระพัชร์อย่าไปเกร็งขึ้นมาตลกันส่งคืนทางด้านนี้คุณเอคุณเอ ออตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นค่ะหลวงพ่อพอเกิดอะไรมากระทบก็ไม่ค่อยโศกเศร้าหรือดีใจหรือเสียใจเหมือนเมื่อก่อนออทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามมาเบิกบานไหมดีมากค่ ะ, ะค่ะดีค่ะเบิกบานไหมก็ดีใจอะค่ะที่ที่แบบว่ามันเหมือนไม่ได้ตัดนะคะเหมือนก็รู้สึกเองอย่างมีอะไรมากระทบนี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็หายแล้วก็ปิติอะค่ะนั่นเลยน ะ, ะเวลาเรารู้สภาวะแล้วบางทีบอกว่าอะไรมากระทบแล้วไม่กระเทือนเนี่ยถ้าใจแห้งแรงใจเฉยๆนะทำผิดถ้ากระทบแล้วไม่กระเทือนนะแต่ว่ามีความเบิกบานอยู่มีความสุขอย่างนี้ใช้ได้นะคุณแตนอ่ะส่งกันบ้านนี่กรรมการ เป็นคนทําเอาผังคอนทัวร์ผังอะไรนีมาวางผังว่ากุฏิสาลาอะไรอยู่ตรงไหนคุณอาไทยทิพย์ก็หลังจากที่หลวงพ่อทักคราวที่แล้วก็พยายามดูกายตัวเองให้มากขึ้นค่ะขยับขยื่นอะไรก็พยายามรู้สึกตัวก็กได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รู้สึกตัวไหมมันสบายขึ้นไหสบายขึ้นรู้สึกไปเอากายบ้างใจบ้างของคุณแต้มนะ ระหว่างตันหากับทิฏฐิเนี่ยมันไล่เลี่ยง ก, กันนะงั้นอย่างเรารู้กายด้วยนะมันช่วยมันช่วยถ้าจริตนิสัยคนในความเป็นจริงแล้วเป็นลูกผสมนี่สัดส่วนของการผสมเนี่ยถ้าทิฏฐิเยอะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตตันหาเยอะก็เหมาะที่จะรู้กายแต่ถ้ า, ถา ค, ลคลือกันนะเล่นเป็นสองอันเลยรู้กายได้ก็รู้ไป ตอนไหนมีแรงก็รู้จิตตอนไหนแรงอ่อนลงมาก็รู้กายนะก็ไม่ลืมกายลืมใจใช้ได้ดีละใจโล่งขึ้นมาดีนะอา้าดาวดาวมีโมหะดูออกไหมแล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่ตอนนี้ที่ภาวนาอยู่เนี้ยมันมันไม่ไปทางไหนอะค่ะมันเหมือนเหมือนไม่รู้เรื่องอะค่ะเออมันเป็นช่วงช่วง เป็นช่วงๆบางช่วงก็ภาวนารู้สึกง่ายอีกช่วงหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคนเลยแล้วเป็นทุกขั้นด้วย <ฮะ S 1> บางทีบางวันตื่นขึ้นมาเอ๊ะเราเพภาวนากันยังไงหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยนะบวชพรรษาแรกมีตื่นขึ้นมาเฮ้แล้วเพิ่งภาวนากันไงเนี่ยลืมไปหมดแล้วภาวนาอะไรไม่เป็นแล้วไม่เป็นเลยเนี่ยทําไงดีทําสมถะพุโทโธพุโทโธไปเรืเร่อยๆ หายใจไปพุโทโธ ไ, ไปจิตใจชุ่มชื่นเบิกบานมีสติรู้ทันกลับมาดูได้ละนะเพราะฉนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ทำสมถนะแล้วก็พอทำสมถะแล้วดูจิตได้ก็ดูจิตดูกายได้ก็ดูกายนะเอากายเอาจิตนี่แหละเป็นสนามทดสอบสติปัญญาจิตมีโมหะนะแล้วมันตื่นเต้นตื่นเต้นเราไปกด กดไม่ยิ่งทื่อๆหนักใหญ่อให้รู้ทันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะรู้ลงไปอะคุณผู้ชายข้างหลังครั บ, ก, บกราบน้ำมรสการนะครับเพิ่งมาครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นอืใช้ได้อย่างนี้แล้วก็กฟังหลวงพ่อมาพักนึงแล้วแล้วก็อยากจะมาเห็นท่านตัวจริงๆแล้วก็ <c oughs> เห็นอะไรนะ <c oughs> เห็นตัวจริงๆของท่านโอรู้ได้ยังไงว่านี่ตัวจริง ตัวจริงมันต้องเอาตัวจริงมาเห็นนะอเอาตัวปลอมมาเห็นตัวจริงไม่เห็นหรอกก็ อ, อยากเรียนถามท่านว่าที่ทําอยู่เนี่ยใช่ได้ใช่ได้ครับดีแล้วดูบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจก็แล้วกันสังเกตไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลยดู อ, อกอยังแต่มันมันเผลอมันหลงไปบ่อยครับนั่นแหละให้รู้จักเผลอให้รู้จักหลงอะดีแล้วทุกครั้งที่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอนะขนาดนั้นมีสตินะ งั้นถ้าเผลอไปเลยทั้งวันไม่รู้เลยนะนั้นสะสมแต่โมหะแต่ถ้าเผ ล, อแ ล, เลอแล้วก็รู้สึกเผลอแล้วรู้สึกเนี่ยสะสมสติมีสติเกิดบ่อยถึงได้รู้ว่าเผลออย่าตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมใช้ได้อยู่ที่ฝึกใช้ได้ดีละอย่าขี้เกียจก็แล้วกันตอนนี้ติดเฉยอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็บางครั้งก็เครียดขึ้นมาอ่แล้วตื่นเต้นด้วยตอนนี้ปิดเห็นไหมว่าไม่ได้เฉยจริง ยังมีตื่นเต้นได้<า>น่าดีใจน ะ, <า>ะถ้าเฉย <c oughs> อย่างนี้น่ากลัวตอนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานอางนี้ค่ะบางทีก็ทราบเวลามีอะไรมากระทบแล้วก็รู้สึกนิ่งไปเลยแล้วก็จมแล้วเราก็รู้สึกใหม่ใช่ได้ใช้ได้ตรงที่รู้ว่ามันนิ่งตรงที่รู้ว่ามันจมไปใช้ได้ดูไปอย่างนั้นแหละจะห้ามมันไม่ให้นิ่งก็ห้ามไม่ได้เราห้ามไม่ได้สย่าง แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี่คือถูกต้องล้วใช่ไหมคะถูกต้อ ง, องนะบังคับเยอะไปก็ให้รู้ทันมันนะต้องปล่อยใช่ไหมคะปล่อยต้องใจถึงนะการทำมิพัฒนานะต้องใจถึงถ้าเรากลัวเนี่ยมันเหมือนนักลงทุนที่ไม่กล้าลงทุนพอไม่กล้าลงทุนมันก็ไม่กำไรอย่างใจเราเรากลัวออกไปทํางานแล้วเดี๋ยวจะขาดทุนหลงไปนานกลัวก็วาบังคับไว มาเอาเงินเก็บใส่หายฝังไวนะ้ไม่มีอะไรงอกเงยกินไปใช้ไปค่อยๆหมดไปนี่ตอนออกมาลงทุนถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ขาดทุนหมายถึงว่าตอนที่เราปล่อยให้จิตออกมาทํางานเนะี่ยเราไม่ได้ทํางานนะจิตมันไปทํางานถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เท่าทันจิตใจจิตใจก็ถูกกิเลสครอบงาเรียกว่าขาดทุนลงทุนแล้วขาดทุน แต่ถ้ามันมีสติมีปัญญาให้จิตใจมันทํางานแล้วเราตามรู้ตามดูไปเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรีวยกว่าเรากําไรเพราะฉะนั้นการปล่อยจิตให้ไปทํางานเนี่ยถ้าไม่กําไรก็ขาดทุนอยู่เฉยๆนะไม่ขาดทุนไม่กําไรแต่นานๆไปก็ทุนหมดนะเพราะฉนั้นทุนหมดอย่างพวกพลมเข้าฌานอยู่นานๆหลายปีในสุดทุนหมดหมดแรง หล่นแอคลงมาส่วนใหญ่ไปอบายส่วนมากไปอับายอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่ใช่สถิติที่ตามดูด้วยเ พ, พราะผมมันอายุยืนตามดูมันไม่ไหวอันนี้พูดตามตำราพวกเทวดานะก็จะดูถูกมนุษย์อายุนิดเดียวทําไมประมาทไม่เหมือนพวกเราเทวดาอายุยืนไม่ประมาท เสร็จแล้วตอนใกล้จะตายนะโอ้เราก็ประมาทเหมือนกันนะนะ <c oughs> รวงความแล้วก็คือสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายนะชอบประมาทคือชอบขาดสตินั่นเองอยู่ในพบภูมิใดๆก็ขาดสติในพบภูมินั้นๆเลยงั <c oughs> ย้นต้องฝึกจนเราคุ้นเคยที่จะไม่ประมาทคุ้นเคยที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเบอร์80อย่างนนนะําประมาทนะนะอ้าวคุณทุนัน สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องเก่าๆที่เคยติดไว้นะคะกลับมาก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองแย่ลงเหมือนก็มันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะละสองเราก็รู้ไปนะ่าใจมันแข็ ง, ขงๆทื่อๆซึมๆ ม, มัวๆแข้งแรงหาความสุขไม่ได้รุมไปหลวงพ่อพูดถูกอะ่ะใส่ร้ายไหมไ ม, ไม่ใส่นะก็ะอ ย, อยังชั่วเลแล้ว เมื่อกี้ก็พอดีหันไปมองลูกสาวอะค่ะก็เลยไปขำเขาเพอหันหันกลับมาเจอหลวงพ่อก็เปมนก็เบรกลูกสาวนะ้าตื่นเต้นว่าใหม่วิ่งอยู่รอบๆตัวแล้วไปอย่าทรมานเด็กเดี๋ยวกลัววัดนะเด็กมาวัดได้กะบุญแล้วละ่ะให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศนะฟังไปหลวงพ่อเนี่ยไปวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนนะไปวัดผู้ใหญ่อุ้มไป มันมีเบาะเล็กๆนะคนโบราณเราเบาไปด้วยไปวัดตลอดทรรษาเลยเราเกิดทันวา95าพอกลางในในพรรษาปี96เนี่ยฟังเทศทั้งพรนษาเลย <c oughs> แม่เขาพาไปวัดโผมีเทศทุกวันตอนบ่ายๆเอาเราไปวางไว้ข้างธรรมมาแหละแล้วก็พระก็เทศไปแล้วก็ตื่นบ้างหลับบ้างอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะ ตื่ขึ้นมาแล้วมันก็โ ต, ตขึ้นมานะมันคุ้นเคยในวัดวิ่งเล่นก็เล่นอยู่ในวัด เ, เห็นพระเห็นวัดเห็นอะไรนะใจิตใจมันคุ้นเคยกับธรรมะเรโตมา7จ็ขวบก็เริ่มภาวนาตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะตอนนั้นวัตถุนิยมรุนแรงแลทัทธิคอมมิวนิสต์เยอะนะก็ไปศึกษาอุ้ยมีเหตุมีผลจังเลยาศาสนาพูดดูงมงายกว่าทั้งเยอะแนะ่นะ ไปเหอรัที่คำนิสสุภาคหนึ่งเรียนใหญ่เลยหลวงพ่อเรียนรัที่คเนิสจากพวกกรมการเมืองกรรมการกลางนะเรียนระดับฮาร์ดคอร์ของเขาเลยนะเรียนเสร็จแล้ว ม, มันจะจริงแล้วใจคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะยังไงใจมันก็ยังคิดถึงาศาสนาอยู่มันไม่ค่อยเชื่ออะไรเต็มร้อยอ่ะนะไม่เชื่อ เราดูผู้นำแต่ละประเทศไม่ว่าเสรีหรือคอมมินิมันก็มีก่เลสเือนๆกันนะดูๆไปแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเต็มร้อ ย, ยใจหนึ่งนี่มันยังยังคิดถึงาศาสนามันไม่ทิ้งหมดงั้นเด็กๆมาวัดก็ดีแล้วช่วงวัยรุ่นช่วงอะไรมันลืมๆไปนะไม่เป็นไรหรอกโตขึ้นมาเดี๋ยวมันกลับมาได้เอาเด็กมาวัดนะ่ะดีแล้วฉลาดแต่อย่าบังคับมันนะให้มีความสุข ที่ได้มาให้มาฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกไปวิ่งเล่นได้อเงี้ยนะแต่อย่ามากรีดกดอยู่รอบศาลา <c oughs> อ้าวว่าไงของผมนี่มีอะไรต้องปรับปรุงบ้บางครับบัับไปมากไปบันคับตอนนี้ตอนนี้นะนะตอนนี้มันติดเต้นอยู่ที่บ้านใช้ได้ <c oughs> แต่ตอนอยู่ที่บ้านใจเอาไปฉเฉลยซะใจมันไม่ตั้งมั่นนิดนึงครับนะมันไม่ถึงฐานให้รู้สึกไปแล้วที่ว่าสังเกตว่า ใจหลงไปทางดูไปทางความคิดนี่แหละมันมันไหลๆหลไหลไปดูกระทั่งมันไปคิดใช่ไหมมันก็ไหลๆไปในความคิดเวลาจะดูมันนะก็ตามดูมันไปส่งใจไปดูเรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ตั้งมั่นเรียกว่าขาดสัมมาสมาธิอริยมรรคจะไม่เกิดงั้นทายได้เลยว่าอริยมรรคไม่เกิดที่ว่าสังเกตนี่คือให้รู้ลงไปใช่ไหมครับให้รู้ต่ไม่ใช่คิดสังเกตไม่ใช่คิดนิดนิดก็ไม่ได้หรือว่าคิดนิดนิดได้ได้นะ ในเวลาที่ดูไม่รู้เรื่องแล้วช่วยมันคิดนิดๆคิดนิดหน่อยคิดเป็นตรลักคิดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเรื่องมีแรงกลับมาดูได้หลวงปู่ดูลบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดทําไมต้องอาศัยคิดเพราะว่าถ้าไม่มีความคิดจิตก็ไม่ทํางานดิจิตก็เฉยๆผิดปกติจิตมีธรรมชาติคิดมันก็คิดของมันไปเรื่อยเพะมันคิดแล้วเราก็คอยรู้เอานี่อาศัยคิดก็คืออาศัยให้มันทํางานแต่แล้วเราก็ตามดูมันไป หรือบางทีดูไม่รู้เรื่องแล้วใจทื่อๆไปแล้วช่วยมันคิดพิจารณานิดๆหน่อยๆให้จิตมันขยับไป ย, ยืนเคลื่อนไหวขึ้นมาไม่ให้ไปติดนิ่งเฉยอยู่นะอย่างนั้นใช้ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นให้ไปรู้ทันตรงนี้อ้าวคนนี้ว่างไงคนนี้นักบังคับพอดสามเดือนที่แล้วไปกราบหลวงพ่อที่สาราลุงชินครับหลวงพ่อก็ให้ให้คําแนะนําว่ายังบังคับอยู่สามเดือนที่ผ่านมาก็ ยังคงบังคับอยู่ครับไม่เท่าเดิมหรอกนะครับตอนนี้เบากว่าเก่าเยอะเลยรู้สึกไหมแล้วก็รู้สึกเวลาบังคับก็จะรู้ตัวว่ากําลังบังคับนั่นแหละดีแล้วล่ะเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าบังคับก็รู้ว่าบังคับเผลอไปรู้ว่าเผลอไปนะถ้าเรารู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้าสติจะเกิดเองใจก็จะรู้ตื่นขึ้นมาของคุณมันก็เริ่มตื่นเป็นขณะขณะแล้วรู้สึกไหมอีกก็รู้สึกขึ้นมา จริงๆนะถ้าไม่ดื้อนะง่ายนะสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกแบบหมดเปลือกทุกทีเลยไม่ได้อำ่อำๆไว้อมๆไว้นะบอกให้อย่างหมดเปลือกเลยเนีย่ยเริ่มบังคับอีกแล้วรู้สึกไหม อ, นนอยากพูดรู้สึกไหมอยากพูดอยากพูนให้รู้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ตอนนี้กําลังอยากกาลังจะดูว่าจะมีวิหารธรรมตรงไหนดีมีความรู้สึกว่าบางวันก็รู้ตรงนั้นสบายอีกวันหนึ่งก็ไม่สบาย ของคุณมันช่างคิดจริตของคุณมันมันช่างคิดนะให้ดูจิตไปดูจิตแล้วเราอาจจะช่วยมันนิดหน่อยสมมติว่าถ้าช่วงไหนมันเผลอยาวมากไปนะช่วยมันนิดนึงแทนที่จะให้เผลอคิดร้อยเรื่องพันเรื่องก็ให้มันคิดเรื่องเดียวให้มันคิดพุทโธไว้มันพุทโธพุทโธนะพุทโธเล่นๆพุทโธเป็นแบกกล่าวไว้เพื่อจะดูจิตตัวเองเพราะเราไม่ได้พุทโธเพื่อให้จิตนิ่งแต่ว่าพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ขยับกรเยื่นเคลื่อนไหว เวลามันหลงไปมันจะลืมพุโทโธมัลืมพุโทโธเราจะนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องห้ามลืมนะเอาเอาจิตเป็นวิหารธรรมนะคำว่าพุโทโธก็แปลว่าจิตนั่นแหละพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานั่นเองบางคนจะติดเพ่งนิด น, นึงเพราะงั้นช่วงนี้ก็ปล่อยตัวสบายๆถือศีลห้าทำตัวสบายๆแล้วตามดูความรู้สึกไปก่อนนะยังไม่ต้องพุโทโธก็ได้ เดี๋ยวจะติดแรงขึ้นมาอีกปล่อยก่อนหัดปล่อยให้ได้กัอนอ้าเวเบอร์71ใจสว่างขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมอ๋อครับของผมควรพุทโธหรือเปล่าครับฮะของผมควรพุทโทให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ออของคุณหรอพุทโธก็ได้แต่ระวังจะแข็งเกินไปใจมันพร้อมที่จะกลับไปแข็งแข็งอย่างเก่า ทำตัวสบายๆแล้วใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วไปรู้สึกกับบ้าง ค, คืออย่ายให้มันจมดิ่งไปที่จิตอันเดียวให้มันรู้กายบ้างรู้จิตบ้างอย่ายให้มันจมดิ่งไปที่อันใดอันหนึ่งสงสัยทราบไหมทรา บ, รบสงสัยรู้ว่าสงสัยเลยอย่ายให้ใจมันจมดิ่งไปอันเดียวถ้าดูจิตอันเดียวเดี๋ยวจะถลำไปจ้องดูกายอันเดียวเดี๋ยวก็จะถลำไปจ้อง งั้นรู้กายบ้างรู้จิตบ้างแล้วแต่มันจะรู้เหมือนผมไม่เค่รู้กายอะครับนั่นมันไปติดกันเพ่งจิตไหมเนี่ยรู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันแอบพยักหน้าเมื่อกี้นี้ไม่เคยรู้สึกเนี่ยรู้ไหมมันสันหน้าอย่างนี้แล้วตามดูมันไปนะเมื่อกี้มันสันหน้าเมื่อกี้มันพยักหน้าครับเอาเมื่อกี้นะแล้วเสร็จแล้วมันจะช่วยให้เราดูจิตได้ชัดขึ้นดูกายเมื่อกี้นี้เป็นการตามรู้กาย ตามรู้กายเนี่ยทำให้เกิดสติถ้ารู้กายลงปัจจุบันทําให้เกิดปัญญานะไม่เหมือนกันนะตามรู้กายหมายถึงกายเมื่อกี้มันเผลอไปเคลื่อนไปรู้สึกมันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมามีสติเนี่ยรู้สึกไหมเมื่อกี้มันกระดุกกระดิกแล้วครับเนะีเมื่อกี้มันเผลอไปกระดุกกระดิกครับเนี่ย้วมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ได้บังคับค่อฝึกนะค่ดูไปครับขอบคุณครับ ค่ะแล้ววัฒนการข่าหลวงพ่อคือมาครั้งแรกหลวงพ่อสอนให้รู้สภาวะเผลอค่ะแล้วพอกลับไปรู้ว่าเผอมันก็เลยอยากดีมันก็เลยเพ่งมันก็เลยดีดีรู้ได้สองอันแล้วเผอกับเพ่งล้วค่ะแล้วทนะีนี้ก็คือเมื่อกี้ค่ะที่หลวงพ่อพูดว่าถ้ามัวไปกระทบทางขัดสาเงี้ยจะไม่ดีอะค่ะแล้วเวลาหนูแบบ นั่งอยู่แล้วหนูหันไปมองนะั้นหนูจะรู้ว่าจิตไหลไปมองเออใช่ได้แล้วก็จะชอบหรือไม่ชอบก็จะรู้อย่างนี้ได้ถูกไหมครับพจิตไหลไปนะ้าแล้วก็ไปดึงคืนมามันจะแน่นๆถ้ารู้ว่าจิตไหลไปแล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะจิตจะโล่งเลยค่ะเขาจะโล่งแล้วบางทีเขาก็จะแบบเฉยๆแล้วเขาก็กลับไปดูอย่างอื่น อ, อ่อให้ให้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราตามดูความเปลี่ยนแปลงของเขาอีกทิ่งๆให้จิตมันทํางานไปเลยได้ไม่ได้ให้ไปอยู่ที่เดียว ให้มันเคลื่อนไหวไปเดี๋ยวมันก็ไปทางตาไปทางหูไปทางใจเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเราก็แค่ตามดูเราก็จะเห็นเลยจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปที่ตาเดี๋ยวก็ไปที่หูเดี๋ยวก็ไปคิดอย่างเงี้ยค่ะเราอย่างเวลาไปไหนอย่างเงี้ยแบบอยากกินขนมจังพอพูดออกไปแล้วเราก็รู้ว่าเราอยากอย่างเงี้ยถูกไหมคะก็ถูกแล้วถูกแล้วแล้วตอนนี้ไม่เพ่งอะไรมาค่ะอะไรนะแล้วตอนนี้แบบมีติดเพ่งมากไปไหมคะหล่อเพ่งอยู่เพ่งแล้วมันถื่อ ใช่ค่ะมันมันไม่ละหูตามไม่มุทิตามันบอกต้องอย่างนี้สิมีละหูตามูทิตาด้วยนะไม่กามมันจะตาปาขุนตาอุชุกตาด้วยหนูรู้แค่สอย่างค่ะหลวงพ่อใช้ได้เนี่ยหารู้สภาวะไปนะในโลกเนี่ยคนเขาติดสองอันจรงติดเผลอกับติดเพ่งนี่กรุปลงมาด้วยประสบการณ์นะเก็บตัวอย่างมาเยอะเลยมาเรียนปริยัติเราถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนไหมคือการมสุคาริการิโยกกับอัตกิรมาานุโยก เท่งไว้บังคับไว้กดข่มไว้มันคืออาตาัตตากิามิถานุโยโเคเขาเพิงถางพอ่ออ้าวว่าไงหนูเพิ่งมาครั้งแรกออค่ะหัดดูใจไปน ะ, ะใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงคอยรู้ไปเรื่อยๆใช้ได้นะวันนี้เบอร์สามสิบสามดีรู้สึกไปเลยก็เหตเผรอะนะครับ อันนี้อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่าจะต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครัรู้ลูกเดียวนะแต่ก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเผลออ่ะมันเป็นยังไงก็ได้รู้อย่างเดียวเห็นตอนนี้ใจเรามีโมหะแทรกอยู่รู้ไหมมันหมองมองมัวมวไปนิดนึงมันไม่ชัดเร า, าก็รู้ว่ามีโมหะแล้วก็เป็นกลางกับโมหะนัาา่นเผลอรู้ว่าเผลอไปเผลอก็เป็นเป็นโมหะเหมือนกันเราก็รู้ว่าเผลอเป็นกลางกว่าความเผลออีก รู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆรู้บ้างเผลอบ้างครึ่งครึ่งก็ยังดีนะ50 50 <c oughs> แต่ความจริงเวลาเผลอเรารู้เนี่ยนะมันเกือบครึ่งมันเผลอให้หมารู้สึกมันเผลอรู้สึกเพราะงันรู้สึกเนี่ยมีอัตราส่วนเท่ากับเผลอลบหนึ่งมีสมการด้วยนะเพราะวัดหลวงพ่อเนี่ยเต็มไปด้วยวิศวะ อเราบอกเผลอเนี่ยเท่ากับรู้สึก hey, ตัวแอดรู้สึกตัวเนี้ยเท่ากับเผลอลบหนึ่งอ้าวไปถึงไหนละมาเป็นครั้งที่สองะค่ะก็เห็นกิเลสยังมาครั้งที่สองแล้วเริ่มเห็นกิเลสได้บ้างยังยังโมโหรู้ไหมยังไม่ทราบอะค่ะแล้วมีกิเลสบ้างไหม ก็รู้ว่ามันขึ้นนะคะอะไรนะก็รู้ว่ามันมั น, ม, นมันมีอาการที่ไม่ปกติอะค่ะ อ, อ่นั่นแหละหัดดูอย่างนั้นแหละหัดดูอาการของเขาแต่ไม่แทรกแซงเขานะ<ส>อย่างใจใ จ, ใจอยากพูดรู้สึกไหมอีแรกสงสัยก่อนแล้วก็ต่อด้วยอยากพูดแล้วก็ดูไปสงสัยแล้วก็รู้อยากพูดเราก็รู้ให้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆว่าไงอีกอะ หัดดูความรู้สึกไปนะถึงไหนแล้วอา้าวใครจะคุยยกมือขึ้นมาส ก, การหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี้รู้สึกแสบตาค่ะกยกยกมายอย่างนี้ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขมข ม, ขมมันด้วยค่ะใช่ได้รู้ได้ถูกต้องนะใช่ได้แล้วเคยมาเรียนไหมเคยมาสองสองครั้งแล้วค่ะใช่ได้แ รู้ได้ดีแล้วนะรู้สึกไหมใจเราสว่างสวยมากขึ้นสบายโป่งโล่งมากขึ้นเบามากขึ้นนะมีความสุขเยอะขึ้นดีแล้วฝึกไปแล้วหนูนี้ค่อนข้างจะติดบังคับใช่ไหมคะไม่มากเท่าไหร่นะลดลงไปเยอะแล้วค่ะอ น, นุนข้างหลังน้นยกมือไปนมเมศการครับหลวงพ่อก็อตื่นเต้นครับไม่ทราบว่าจิตผมเป็นยังไงบ้างครับอืมแล้วว่าเป็นไงอะ ไหนว่ามาให้หลวงพ่อฟังก่อนก็สองสาวันนี้ก็ฟุ้งครับไปอ่านนิยายแล้วก็มีความสงสัยครับวันนี้ก็เหมือนหลวงพ่อแบบเทศให้ฟังเลยครับเรื่องแบบปฏิบัตินะครับที่เรื่องแบบหลวงตาบัวอะไรย่าเงี้ยครับคือผมมีความสงสัยในเรื่องแบบถ้าแบบเดินจงกรมแล้วเราแบบรู้สึกอยู่ที่การเดินอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นคือถูกต้องไหมครับเดินจงกรมนะทำได้หลายแบบ ถ้าแบบสมถะเนี่ยเราก็เพ่งอยู่ที่ร่างกายเช่นเท้าเราเคลื่อนไหวนะเราเพ่งอยู่ที่เท้าไว้ให้ไม่ให้ใจหนีไปไหนเลยหรือเราเพ่งร่างกายทั้งร่างกายที่กําลังเดินอยู่มันมีคนหนึ่งจ้องอยู่นะไม่ให้คลาดสายตาเลยนี่เป็นสมถะถ้าเดินจงกรมแล้วเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นแค่คนดูคนรู้คนดูเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งเดินอยู่เดินอย่างนี้มีปัญญาเห็นมรรคกายไม่ใช่เรา นะอย่างนี้ใช้ได้ oh. Oh. หรือเดินจงกรมอยู่แล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดจิตไปเพ่งร่างกายรู้ว่าเพ่งร่างกายจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็อยรู้ไปเรื่อยเดินไปเพื่อจะรู้จิตครับอย่างนี้ก็ทําวิปัสสนาด้วยกันดูจิตเพราะฉะนั้นแค่เดินจงกรมทําได้หลายอย่างมีอย่างหนึ่งคือเดินแล้วใจหนีไปที่อื่นเลยอันนี้ไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอ๋อเราก็ต้องดูว่าเราจะทําสมถะหรือวิปัสสนาใช่ไหมครับ อะไรนะต้องดูว่าเราจะทําสมถะหรือวิปัสนาหมรับมันจะพิกใปพลกมาหลายแบบทั้ง4แบบเลยอย่างเราเดินเดินอยู่ใจลอยแวบลืมเนื้อลืมตัวไปเนี่ยไม่มีทั้งสมถะไม่มีทั้งวิปัสนาครับอันที่สองเดินจงกลมอยู่แล้วเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะเพ่งจนใจนิ่งแนบอยู่ในกายใจกับกายนั่นรวมกันเข้าไปเลยนิ่งอยู่งั้นได้สมถะอันที่สเดินไปกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา นี่จเจริญปัญญาทำมิปัสสนาด้วยการรู้กายอีกอย่างหนึ่งเดินไปเรื่อยๆใจแอบไปคิดรู้ทันใจไปเพ่งร่างกายรู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันอันนี้เดินจงกรมแล้วดูจิตเอานะทำมิปัสสนาดูจิตงั้นอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยจิตใจจะพลิกไปพลิกมาได้ทั้ง4แบบกระทั่งเราทำกรรมฐานอื่นๆนะก็พลิกอย่างนี้แหละคล้ายกันครั บ, รบส่วนส่วนมากผมว่าเป็นแบบที่4ี่อะครับหลว่ อ, อบ แ, แบบ บางทีไปฟังเขาเบอกว่าตอนนี้ตอนนี้กําลังเป็นแบบที่หนึ่งแบบที่1นึ่ ง, องคอเพ่งหรอเพลอไปเลยอ๋อใช่ครับ <laughs> บางทีเราไปฟังเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาบอกให้อยู่ที่กายดูกายอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับดูกายอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ใช่วิปัสสนาอืมแล้วอย่างผมนี้ต้องดูจิตหรือดูกายครับหลวงพอ่อดูจิตเพราะเราคิดมากครับก็วันนี้ก็เหมือนหลวงพ่อเทศแบบไม่เลยครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับ อย่างคิดมากครับหลวงพ่อครับแล้วมีอขออีกคําถามครับสมมุติเราแบบได้ไปปฏิบัติในที่แบบเหมือนวัดที่สัพเพยะอะไรเงี้ยครับแต่แบบทางไกลหลวงพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วเราจะยึดหลักไหนดีครับเราก็เอาครูของเราไปด้วยนะเอาสติเอาปัญญาไปอเอาหลักที่หลวงพ่อสอนนี่แหละไปใช้ไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมครับสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่ <laughs> ไม่ต้องสงสัย <laughs> ห้ามมันไม่ได้ครับมันทํำไมค่อยเขงอยู่สอาวันครับเอ คุณคไปภาวนานะมีที่ภาวนานะดีนะใครมีที่ภาวนาได้ก็ไปหาเอาแต่ว่าที่ที่ไม่แนะนํานะคือที่ที่ชอบสอบอารมณ์เดี๋ยวจะมาทําเราเสียไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เจริญสติเป็นเนี่ยมีนับตัวได้เลยส่วนใหญ่ติดสมถะเดี๋ยวจะมาสอบอารมณ์ให้เรากลายเป็นนักติดสมถะอีกคนหนึ่งเพราะฉะั้นถ้าเรามีไปเลือกที่ที่เขาไม่ไปยุ่งกับเราเลยนะ ถ้าให้เราภาวนาของเราเองอย่างเดียวเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยที่ว่ามาจากสาราลูงชินนะใจลอยไปแล้วแล้วก็ไปกดไว้ให้ทื่อๆรู้สึกไหมไปดันมันไว้ไม่ใช่กดลงนะไปดันมันขึ้นมานึก อ, ออกไหมเออเลิกซะนิสัยอย่างนี้ไม่เอานะเลิกอ้าว่าไปกราบได้ัณ ก, การหลวงพ่อคะ่ะ ก็ได้ไปฝึกนะคะแต่ฝึกดูดอิริยาบถคะ่ะท่านแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอิริยาบถเลกลายเป็นที่อยู่สบายๆคือจะทำอะไรก็เลยอยู่แต่อย่างนี้คะ่ะแต่ยังดูจิตไม่ไม่ถูกนะคะอย่าให้ใจทื่อก็แล้วกันรู้อิริยาบถเป็นเครื่องอยู่ได้นะแต่อย่าให้ใจแข็งทื่อถ้าเรารู้อิริยาบถ4ี่เราใจแข็งทื่อแสดงว่าเราไปพี้งอิริยาบถ ถ้าเรารู้อิริยาบทเนี่ยใจจะเบิกบานใจจะเบาๆสบายผ่อนคลายรู้ไปอย่างสบายๆนะให้สังเกตที่ใจเราไม่ว่าเราทํากรรมฐานอะไรนะใครจะฝึกยังไงก็ได้แต่ถ้าฝึกไปแล้วใจแข็งแข็งทื่อๆขึ้นมาแสดงว่าทําผิดให้เลิกเลยนะแสดงว่าทําผิดแล้วถ้าทําถูกใจจะไม่แข็งถ้าอย่างนี้ก็ให้ให้ใ ห, ให้ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะของโยมบังคับแรงไปนิดหนึ่งบังคับแรงนะ ค่อยๆ ค, คลายออกนะดูไปห้ช่วยส่งไปข้างหลังน้นยกมือหลวงพ่อให้ส่งไปส่งมานั้เราได้มีเวลาหายใจบ้างก็งหายใจไม่ค่อยจะทันอากาศชื้นๆหายใจไม่ค่อยได้ไม่ต้องเอายามาถวายนะอย่าเยอะเดี๋ยวได้ยินแล้วโอ้อยยามาแล้วทุกคนจะต้องให้เราฉันนะถ้าตายไปไม่เน่าไม่เปื่อยอยากให้หลวงพ่อแนะนำให้ค่ะว่าต้องตับ อ, อะไรใช่ได้ดีละ รู้สึกไปเรื่อยๆชอบแอบสงสัยให้รู้ทันให้รู้ว่ามันสงสัยกิเลสทุกตัวจะพาให้เราคิดพอสงสัยก็จะไปห า, หาคําตอบไปคิดเอา ใ, ให้รู้ทันว่าสงสัยกิเลสทุกตัวทําหน้าที่ให้เราหลงไปคิดนะอย่างความโลภเกิดขึ้นนะเราก็ไปคิดถึงของที่เราอยากได้คิดถึงคนที่เราอยากเจออะไรเงี้ย ความโกรธเกิดขึ้นนะเราโกรธหมาโกรธแมวเราก็ไปคิดถึงมันบ่อยสมมติแมวชอบเข้ามาฉี่ใส่บ้านเราเนี่ยเราก็คิดถึงแมวนี้ทั้งวันเลยนะเดินตกกระไดาตายไปเกิดเป็นแมวเลยเพราะฉะนั้นะ <laughs> กิเลสทั้งหลายเนี่ยจะลากให้เราคิดไปเรื่อยๆให้เราลืมที่จะรู้กายรู้ใจเพราะถ้าเรารู้กายรู้ใจวันหนึ่งเราจะ ช, าชนะกิเลสนะพ้นกิเลสมันมีมันมีบางครั้งะ่หลวงพ่อที่ว่าพอเรารู้ว่า ว่าเราเกิดความมืดมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้ น, นะะอนี้ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราพยายามจะไปข่มมันมันเลยยิ่ให้อึดอัดซ้อนขึ้นใช่เราไม่ไปข่มมันให้เรารู้มันไม่ใช่ให้ละมันนะให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนะี่ยอกุศลเป็นสังขารขันหน้าที่ของเราต่อขันคือการรู้นะไม่ใช่การละ เพราะงั้นคิดไม่ดีจิตเป็นกิเลสขึ้นมาให้รู้ว่าจิตมีกิเลสจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าจิตแอบไปชิดคิดแนะล้วเกิดกิเลสรู้ว่ามีกิเลสให้รู้ไม่ใช่ให้ละถ้าให้ละพยายามจะละใจจะแข็งแข็งทื่อๆไม่มีความสุขทาผิดนะใจถึงถึงนะอย่า ก, กลัวกิเลสมากนะกกนะิเลสเกิดขึ้นก็รู้เอาเมื่อกี้มีใครยกมืออีกคนแถวนี้ นับสัต์การหลวงพ่อครับมาสองสมครั้งฮะแต่เพิ่งได้แรงงานครั้งแรกครับก็มาฟังครั้งแรกประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วครับเ อ, อจากตอนนั้นถึงตอนนี้เท่าที่ประเมินดูกันเป็นรายไตรมาสเท่าที่ตามที่เทปหลวงพ่อนะครับก็ทีแรกดูเหมือนว่าราคาลดลงแต่พอคิดอย่างนั้นราพะาคามันขึ้นมาเลยครับดีนะ <laughs> ดูเหมือนโทสะไม่ค่อยลดเท่าไหร่ครับ ม, มีอะไรนิดนึงนิดหนึ่งก็ก็ยังสะกิดใจตลอดเลยเราไม่ได้ดูให้กิเลสลดลงหรอกรแต่เราดูให้เห็นความจริงว่ากิเลสนั้นน่ะมันไม่ใช่ตัวเรากิเลสเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับลงไปกิเลสไม่ใช่ตัวเราดังั้นการที่เราภาวนาถ้าเป็นแทบตายรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อลดละกิเลสอะไรหรอก แต่เพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราพรานะะวันใดเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราก็พ้นทุกข์ไปเองไม่ใช่ว่าไปไล่ต่อสู้กิเลสนะเราไม่เอากิเลสมาเป็นตัววัดหรอกเราเอาสติสติเราเกิดบ่อยไหมเรารู้ทันมากขึ้นไหมนะเราเอาใจที่เป็นกลางมาเป็นตัววัดได้ด้วยนะเรารู้ทันว่ามีกิเลสแล้วใจเราเป็นกลางไหมใหม่ๆไม่ค่อยรู้ตัวนานๆรู้ทีหนึง่ง ฝึกไปนานๆนฝึกไปบ่อยๆรู้ตัวได้ทีขึ้นทีขึ้นก็ถือว่ามีพัฒนาการพอรู้ตัวแล้วต่อไปพัฒนาไปอีกรู้ตัวแล้วปกติตอนแรกๆไม่เป็นกลางเช่นเห็นกิเลสก็อยากไล่เมันไปเห็นกูศนอยากรักษาไว้เห็นความสุขก็อยากเอาไว้เห็นความทุกข์อยากจะไล่เมันไปใจไม่เป็นกลางพอฝึกมากเข้ามากเข้าใจก็เป็นกลางแล้วก็ใช้ความเป็นกลางนี้วัดพัฒนาการในระดับกลางๆของเราได้ เบื้องต้นว่ามีสติไหมเบื้องที่สองใจเป็นกลางต่อสภาวะธรรมที่ปรากฏไหมถ้าฝึกไปเรื่อยใจจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเมื่อใจเป็นกลางใจจะไม่ดิ้นรนใจจะไม่ปรุงแต่งใจจะสักว่ารู้สักว่าเห็นเมื่อใจไม่ปรุงแต่งต่อใจไม่สร้างพบสร้างชาตนะิถึงจุดหนึ่งมันจะข้ามภพข้ามชาติไปเกิดมรรคผลขึ้นมาเนะมื่อเราไม่ได้ฝึกละกิเลสออกเราฝึกรู้มันรู้มันจนวันหนึง่งมันยอมใจเราไม่ได้แนละ้ เราเป็นอิสระจากกิเลสที่ที่เคยเห็นบางท่านบอกว่าเห็นจิตโมโหมั่งหนักหนัมั่งอะไรนี่ผมไม่เห็นเลยนะไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นนะครับเราจิตลรโมโหรู้ว่าโมโหเพราะเราเห็นโมโหนี่เราก็ดูโมโหไปคนไทยเรียกโมโหนะแต่จริงต้องเรียกโทโสแต่คนโบราณเรียกโมโหโทโสเลยมีสองอันก็ถูกอีกเพราะโทโสอยู่ลําพังไม่ได้ต้องคู่กับโมโห เพรโมหะโทสะก็ต้องอยู่ด้วยกันที่ปฏิบัตินี้ถูกหรือยังครับถูส่งมาข้างหน้าคุณผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชายน้นนะจองชิวไว้กัดกล่าวนามศกาหลวงพ่อเจ้าการที่ชั้นอัญชันสุวรรณค่ะวันนี้พาลูกแล้วก็เพื่อนๆนของลูกมาแล้วเพื่อนมาด้วยนี่ค่ะทีมเสื้อเหลืองนี่ใช่ไหมเป็นเพื่อนของท่านพระกระเกิดด้วยใช่ไอม จักการพรกฏกฎจักการคดีก็จะขอโอกาสหลวงพ่อณเจ้าค่ะช่วยกรุณานําลูกหลานปฏิบัติด้วยจะเข้ามาครั้งแรกในช่างคนนี้มาครั้งแรกกันนี่ครั้งที่2องเน่ยนุลูกสาวนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณส่วนที่ชันนั้นเหมือนกับว่ามีความหลงเป็นหลักเจ้าค่ะแล้วก็แต่เบิกบานขึ้นนะเจ้าคะดีนะให้ดูไปเรื่อยๆเอาพวกเด็กๆทั้งหลาย กรรมาฐานเนี่ยนะเราเรียนเพื่อเรียนรู้ตัวเองเอาละไม่ต้องเกี่ยงกันไม่ต้องถือใหม่ก็ได้ฟังหน้าฟังครับก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับยัง อ, อยู่ในขั้นเก็บข้อมูลอยู่ยังเคยฟังซีดีหลวงพ่ อ, อยังอยังเลยครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกที่งเดี๋ยวรีบให้ฟังค่ะผมขอบคุณมากค่ะคือศาสนาพุทธเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธเนี่ยเราจะเรียนรู้ไปจนกงระทั่งวันหนึ่งเราไม่ทุกข์ งั้นวันหนึ่งเราไม่ทุกเนี่ยคือเป้าหมายปลายทางของเราหรือทุกน้อยลงน้อยลงอยู่กับโลกก็ได้ไม่ต้องบวชก็ได้นะไม่ต้องเป็นพระเป็นชีก็ได้แต่ว่าทุกน้อยน้อยงั้นเป้าหมายของเราคือทุกทุกเราน้อยลงความทุกอยู่ที่กายความทุกอยู่ที่ใจพระเจ้าไม่ใช่คนชี้แพ้ไม่ได้สอนให้หนีทุกแต่ท่านสอนให้เรียนรู้ทุกทุกอยู่ที่กายเราคอยรู้อยู่ที่กายสิว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงมันไม่มาได้ไหม ทุกอยู่ที่ใจเราคอยรู้ลงไปว่าความทุกข์เข้ามาในใจเราได้ยังไงเราค่อยตามสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจว่าจริงๆเขาเป็นยังไงไม่ใช่เพื่อดัดแปลงเขาแต่เพื่อรู้ความจริงเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ได้ฝึกเอาดีเอาสุบเอาสงบแต่ฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจ ถ้าเมื่อไรจิตเห็นความจริงของกายของใจแล้วมันจะรู้เลยกลายกับใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะไม่น่ายึดถือเลยทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะตอนนี้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้อริยสัจหรอกนะถ้าเรารู้แจ้งอริยสัจเราจะเห็นในร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์นะ้อยจิตใจก็เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ความสุขเหมือนภาพลวงตาช่วครั้งช่วครล่าวท่านั่นเองเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ทุกนะรู้ไปเรื่อยๆเลยถึงวันหนึ่งมันจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเพราะเรากายกับใจมันเป็นตัวทุกเราไม่ไปแบกเอาตัวทุกไว้เราก็ไม่ทุกข์ละสิง่ายๆง่ายมากนะการภาวนาเนี่ยรู้สึกไหมใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหมสงสัยทราบไหม ใจสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะขณะไปนั่นคุณผู้หญิงเสื้อเหลืองนั่นแหละใจลอยไปละรู้จักไหมยังใจลอยเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งของคนทํำวิปัสนาเลยเพราะเวลาใจลอยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะมิจะรู้แต่เรื่องที่คิดนะหนีไปคิดคิดรู้เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจนั้นใจลอยนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งนะศัตรูเบอร์สคือนั่งเพ่งเอาไว้นั่งจ้องไว้บังคับกายบังคับใจ หนุ่มใส่แว่นตาเนี่ยแหลนะที่กำลังถูมืออยู่รู้สึกไหมถูมืออยู่ก็ไม่รู้สึกใชใจแอบไปคิดก็ไม่รู้สึกใช่ไหมเนี่ยมันลืมทั้งกายลืมทั้งใจเพราะเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดนะเหมือนภาพลวงตาท่านะอย่างเราคิดว่าเรามีแฟนเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมแต่มันไม่มีเราได้นางงามเฉากล้วยมาแทนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องที <storyline. S 2> ่คิดเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้ แล้วเราไม่เรียนรู้ด้วยการคิดเอาแต่เราเรียนรู้ด้วยการทําตัวเป็นผู้สังเกตการสังเกตการอยู่ในกายสังเกตการอยู่ในใจเราเปลี่ยนบทบาทของตัวเองนะจากคนที่จะพยายามทำโน้นทานี้มาเป็นคนดูนะทาตัวเป็นผู้สังเกตการ์ดนะสังเกตลงมาในกายสังเกตลงมาในใจจ น, นเห็นความจริงของเขาเนะี่ยใจลอยไปคิดแล้วทราบยังไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดอะรู้สึกหม งงอะรู้สึกไหมกำลังงงอยู่อ้าวผู้หญิงโน้นใจลอยปอีกแล้วนั่นแหละนั่นแหละกำลังหันฮะนะหนูก็จะลอยแล้วก็เพ่งอยู่อย่างเนี้ยค่ะอะไรนะหนูก็ใจลอยเดี๋ยวก็เพ่งใช่ได้นะที่ฝึกอยู่ดีแล้วทำถูกต้องแล้วใจลอยเราก็รู้เพ่งเราก็รู้ใช้ได้แต่ว่ามันมีความสุขขึ้นนะคะหลวงแน่นอนต้องมีความสุขภนาแล้วมีความสุข ทำไม่มีความสุขพระจิตมันเป็นกุศลมหากุศลรจิตเนี่ยนะไม่มีโทมนัตไม่มีความทุกข์นะโทมนัตเวทนาไม่เกิดในมหากุศลรจิตโทมนัตเวทนาเกิดในโทสะมูรจิตเท่านะั้นเจตจจิตที่มีโทสะเพราะงั้นเวลาเราภาวนาเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแต่วความสุขกะอุเบกขาดีนะที่ฝึกอยู่ดีละขอบพระคุณเจ้าค่ะ เอาคนต้นยกมือเดี๋ยวเอคนนั้นเขายกก่อนยกมานานแล้วเอาพวกเด็กๆใจลอยไปหมดแล้วอนอสการหลวงพี่ครับคือผมพาคณะมาเก้าท่านมีศาสตราจารย์ในแพทย์สวัสด์อะไรนะผมพาคณะมาเก้าท่านนะครับมีอาจารย์หมอสวัสด์ที่ศรีราช ด, ด้วยครับท่านท่านกเกษียณแล้วก็พวกรเราก็สนใจแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อผ ม, ม่าครั้งที่3ม ก็ไม่ทราบตอนนี้ได้จิตใจได้ก้าวหน้าขึ้นไหมครับกล้าถามเนาะก็ได้ไปฝึกที่หลวงพ่อจรัย์ที่วัดอัมพวันครับแล้วก็ฝึกที่ยุวพุทธิกาสมาคมก็หลายครั้งค่อยๆสังเกตนะการระลึกรู้กับการกําหนดรู้เนี่ยสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะค่อยๆหัดแยกตัวนี้ก่อนจิตที่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์กับจิตที่เข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์สองอันนี้ก็ไม่เหมือนกัน ค่อยๆเรียน2ข้อนี้ก่อนนะสติแปลว่าความระลึกได้แต่พวกเราชอบแปลสติว่ากาหนดนะกาหนดเนี่ยในความเป็นจริงในองค์ธรรมของมันเนี่ยมันจะเจือด้วยโลภะเจตนานะแต่สติแท้ๆไม่ได้แปลว่ากาหนดสติแปลว่าความระลึกได้นะระลึกถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจ ระลึกได้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายระลึกได้ถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจสติเป็นความระลึกได้สติมีหน้าที่อารักขาคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้อกุศลครอบงําทันทีที่สติเกิดอกุศลดับทันทีทันทีที่สติเกิกดกจิตเป็นกุศลทันทีจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตจะมีความสุขแต่ถ้าพวกเรากําหนดลงไปจิตใจแข็งแข็งเครียดเครียด ถ้าจิตแข็งแข็งจิตเครียดเครียดจิตดวงนั้นเป็นโทสะมุรจิตนะเพราะฉะนั้นสติตัวนั้นไม่ใช่สติตัวแท้ถ้าเรากําหนดปุ๊บแล้แข็งแข็งนะีเครียดเครียดในใจเรานะตัวนั้นไม่ใช่สติมันเป็นแค่ความจงใจไปกําหนดเท่านั้นเองถามว่าแล้สติเกิดจากอะไรสติเกิดจากกําหนดหรือเปล่าพระอภิธรรมไม่ได้สอนว่าสติเกิดจากกําหนด ร่าพี่ทำสอนว่าสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้กายเนืองเนืองหัดรู้เวทนาเนืองเนืองหัดรู้จิตใจของตัวเองเนืองเนืองที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างพอเราหัดรู้บ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะได้แม่นเช่นเราหัดรู้ว่าใจลอยไปคิดเป็นยังไงอย่างขณะจิตเนี้ยขณะนี้ของคุณนะใจกาลังคิดอยู่นะใจไปคิดเรารู้ทันว่าใจไปคิดนะ ใ จ, ใจจะคิดว่าเออในสภาวะธรรมที่ตอนปฏิบัติแล้วก็นี่กลืนคําที่หลวงพ่อเอ อ, อที่สอนนะครับใช่ใช่หลวงพ่อไม่ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องราวที่คิดน ะ, ะกําลังพาพวกคุณดูสภาวะที่จิตแอบไปคิดให้เรารู้ว่าจิตคนะิดดีกว่ารู้เรื่องที่จิตคิดเรารู้เรื่องที่จิตคิดมาตลอดชีวิตแหละแต่เราไม่พ้นทุกนะแต่ให้เราลองเปลี่ยนนิดนึงเรามารู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่ เวลาที่ฟังหลวงพ่อพูดคุณรู้สึกไหมฟังไปคิดไปสลับกันไปเรื่อยๆต่อไปนี้นะให้มีสติจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ให้คอยรู้ไปเรื่อยๆตามดูเข้าไปใช้วิธีตามดูนะอย่าไปจ้องไว้ก่อนถ้าจ้องไว้ก่อนผิดต้องตามดูเพราะว่าจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามเห็นจิตตามไปนะเช่นเนี้ยตอนเนี้เห็นไหมใจมันอยากพูดปึ๊บขึ้นมาเห็นัหม ให้รู้ทันไปเห็นไหมความอยากตะกี้ดับไปแล้วดูอย่างนี้ไม่ต้องกําหนดนะตรงที่กําหนดเนี่ยจิตตกจากวิปัสสนานะเพราะจิตเนี่ยทำงานได้ครั้งได้อย่างเดียวถ้าจิตไปทําหน้าที่รู้จิตก็จะไม่คิดถ้าจิตไปคิดจิตก็จะไม่รู้ตรงที่เราจงใจกําหนดขึ้นมาเนี่ยจิตไปคิดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจิตตกจากวิปัสสนาจนะาขอจะ <c oughs> ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อเรื่องตอนที่ฟังซีดีนะครับตอนฟังถึงอริยสัจสี่กับ พอจบเจ็ดเนี่ยกับผมยังมีความอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งสั้นๆที่เพื่อมีความเข้าใจอาจได้ปัญญามากอริยสัจดีนะอริยสัจ ต, ต้องศึกษาเราอย่าไปวาดภาพอริยสัจว่าเป็นธรรมะชั้นสูงยากเกินกว่าที่คราวาสจะเรียนไม่จริงนะพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจกับฆราวาสสอนกับคราวาสด้วยอยู่ในทีแรกท่านสอนอนุปุปพิกถา5ข้อก่อนใช่ไหม สอนเรื่องทานเรื่องสีเรื่องสวรรค์นะเรื่องโทษของการมรเรื่องเนคขมมะแล้วก็จะสอนเรื่องอริยสัจเพราะฉะนั้นอริยสัจเป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องเรียนกระทั่งคารวาะก็ต้องเรียนอริยสัจนี้ถ้าผู้ใดไม่เข้าใจแจม่มแจ้งไม่สามารถข้ามพบข้ามชาติได้อย่างเวลาเราภาวนาไปเนี่ยใจมันจะรู้สึกว่าเรายังไม่รู้อะไรบางอย่างมันจะไม่ยอมวางจนบนรดแจ้งอริยสัจขึ้นมานะจะปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจได้ อริยสัจเริ่มจากตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือขันห้าคือกายกับใจนี้เองพวกเราไม่มีใครเห็นอริยสัจเพราะว่าพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในขณะที่อริยสัจบอกว่ากายเป็นทุกข์พวกเราก็ไม่เห็นจิตใจตัวเองอย่างแท้จริงนะไม่เห็นอริยสัจเรารู้สึกว่าจิตใจเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในความจริงนั้นอริยสัจสอนว่าจิตก็เป็นทุกข์ขันเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง เพราะเรายัางไม่สามารถเห็นแจ้งอริยสัจได้เราก็ข้ามพบข้ามชาติไม่ได้ใจเรายังมีทางเลือกอยู่กายนี้ก็มีทางเลือกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้จิตก็มีทางเลือกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เมื่อยังมีทางเลือกอยู่จิตจะไม่เลือกดิ้นรนหรอกมันจะดิ้นหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยเห็นไหมเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งทุกข์จิตก็เกิดความดิ้นรนเกิดความอยากอยากสุขอยากพ้นทุกข์คือมีสมุทัยขึ้นมาเพราะไม่รู้ทุกข์นะถึงเกิดสมุทัยขึ้นมา เพราะมีสมูทัยขึ้นมาจิต ด, ดิ้นรนจิตทำงานจิตปรุงแต่งนิโรธก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะนิโรธคือความไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมที่พ้นจากความปรุงแต่งหรือ น, นิพพานเพราะงั้นเมื่อไรที่เรายังไม่รู้ทุกข์แย่มแจ้งไม่รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะก็จะเกิดตัณหาเกิดสมูทยัยอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจเป็นสุขอยากให้ใจพ้นทุกข์นี่เป็นปติจสมวาสายเกิด แล้วยิ่งมีความอยากใจก็ยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีความทุกข์จิตใจก็ยิ่งอยากดิ้นรนหนักขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นยิ่งทุกยิ่งทุกยิ่งดิ้นหมุนเวียนเป็นวัตจักหมุนวนอยู่เท่านี้เองแต่ถ้าเมื่อไรเรามาตามรู้กายตามรู้ใจนะรู้กายไปอย่างที่เข้าเป็นรู้ใจไปอย่างที่เข้าเป็นรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมาจริงๆเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไไรัดบป ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นั้นได้ผ้าหนากขาดแล้วอยังข้ามพบข้ามชาติไม่ได้ยังเหลือจิตอีกรู้สึกว่าจิตตัวผู้รู้นี่เป็นตัววิเศษเป็นตัวสุขนี่จิตนี้เป็นสุขล้วนๆเลยถ้าหลงเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถึงจะมีความทุกข์ถ้าเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าไม่แจ้งอริยสัจ ต, ต้องรู้ลงมาที่ตัวจิตผู้รู้นี่อีกทีหนึ่งรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไป จนวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันจะเห็นเลตัวจิตนั่นแหละแปลสภาพเป็นตัวทุกข์ให้ดูทุกข์ล้วนๆเลยทุกแบบไม่มีอะไรจะเหมือนนะในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์เหมือนจิตเลยนะเพอมันทุกข์สุดขีดเนี่ยใจจะดิ้นดิ้นดินดินหาทางออกจากทุกข์นะดิ้ น, นจนหมดแรงจะดิ้นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะเหมือนจะระเบิดเลยถ้าไม่บ้าก็ตายถึงจุดนั้นจะรู้สึกอย่างนั้นเลยพอ ถ, ถ้าถึงตรงนั้นนะใจ ใจมันยอมตามสัจจะยอมความตามความจริงเรื่อมีอนุโลมญาณใจคล้อยตามเนใจนี้มันเห็นนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอีกเลยแล้วยอมรับความจริงแล้วไม่ดิ้นหนีต่อไปในอนุโลมญาณเนี่ยองค์ธรรมของอนุโลมญาณเป็นขันติอดทนนะอดทนยอมรับความจริงไปอดทนไปไม่ปฏิเสธความทุกข์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะสลัดความยึดถือจิตออกไป เมื่อไม่ยึดถือจิตแล้วเนี่ยความอยากที่จะให้จิตมีความสุขก็ไม่มีความอยากที่จะให้จิตพ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะไม่ยึดถือจิตซะแล้วงั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็คือรู้ลงมาจนเห็นเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะผู้รู้นั่นเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความยึดถือพอหมดความยึดถือมันก็ไม่มีสมูทัยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมูทัยโดยอัตโนมัติไม่ใช่ต้องละสมูทัยถึงจะละทุกข์ถึงจะดับทุกข์นะอันนั้นเป็นธรรมะตื้นเกินไป ท่านสอนเลยรู้ทุกเมื่อไหร่นะลาสมุทัยเมื่อ น, นั้นนิโรธแจ้งขึ้นฉับพลันเลยเพราะอะไรทันทีที่จิตหมดสมุทยัยหมดตัณหาจิตหมดการดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งมันก็เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งในฉับพลันนั้นเลยเห็นนิโรธเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นนิโรธนิพพานไม่จําเป็นต้องกําหนดจิตเข้าเข้าออกออกไปหานะถ้าภาวนาสุดขีดแล้วเนี่ยแค่มานัสสิการถึงแค่ะระลึกถึงก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาละ ราฉะนั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็เป็นอันละสมูทยัยเมื่อไรละสมูทัยก็แจ้งนิโรธการรู้ทุกขละสมูทยัยจนแจ้งนิโรธเนี่ยมันประชุมลงในที่เดียวกันในขณะที่เกิดอริยมรค น, นั่นเองท่านถึงว่าทุกขสมูทายนิโรธมรนะ์ส่วนโพชน์ชงง่ายกว่านี้พจน์ชงไม่ยากเท่านี้นะแต่ว่าพจน์ชงแท้ๆเกิดตอนที่อริยมร์กเกิดพจน์ชงที่พวกเราพูดนี้ชงปลอมๆไปก่อนนะ ชงปลอมๆก็ไม่ยากอะไรนะให้มีสติรู้กายรู้ใจไปองค์ธรรมของสติสัมพุทธชงก็คือสัมมาสติสัมมาสติไม่ใช่สติธรรมดาสัมมาสติคือสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจระลึกนะไม่ใช่สติที่กําหนดกายกําหนดใจนะนั่นไม่ใช่สัมมาสติเมื่อสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจอยู่นั้นเรียกว่าธรรมวิจยะเรียกว่าธรรมวิจยะ เรียกว่าการวิจัยธรรมะนะการที่เรารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นเนะี่ยคือธรรมวิจยสัมโพชฌงค์องค์ธรรมของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แท้ๆเลยคือส ม, มาทิจิตในตัวปัญญานะในขณะที่เรารู้กายในขณะรู้ใจในขณะจิตนั่นเองนะจิตมีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือมีสัมมาวายามะอันเดียวกันนะวิริยะสัมโพชฌงค์องค์ธรรมคือสัมมาวายามะความเพียรชอบ ทันทีที่มีสติรู้กายทันทีที่มีสติรู้ใจเนีอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีกุศลที่มีไม่มีอยู่นะก็เกิดขึ้นมาที่มีแล้วเกิดบ่อยขึ้นนะเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะหรือวิริยะสัมโพชงนะก็เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีสัมมาสติรู้กายรู้ใจในขณะที่ธรรมวิจยะเกิดขึ้นเห็นไหมมันเกิดขณะเดียวกันนะไม่ใช่เกิดทีละขณะนะไม่ใช่ไล่ไล่ไล่เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะ มันยาวเหนือคนอื่นไม่ได้คุยนะองค์ทําในโพ่อชงนะเกิดขณะเดียวกันนะนี่เอาตัวอย่างนะแซมเปลิลแซมเปลิลอย่าคิดเยอะนะเราเป็นปัญญาชนปัญญาชนเนี่ยจุดอ่อนคือคิดมากใจถึงถึงรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดรู้ตลอดจะกลายเป็นการเพ่งไหมกําหนดไว้ เพาอะไรทำไมต้องรู้บ้างเผลอบ้างเพราะบางครั้งสติก็เกิดบางครั้งสติก็ไม่เกิดสติเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้ให้เกิดตลอดเนี่ยสั่งไม่ได้เะนั้นรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรอย่างตอนนี้ไปคิดแล้วทราบไหมจิตหนีไปคิดก็รู้ว่ไปคิดนะเนี่ยเริ่มบังคับให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ก็ไม่เอาเผลอไปก็ไม่ได้บังคับให้นิ่งก็ไม่ได้รู้ไปอย่างที่เขาเป็นถึงจะใช้ได้เนี่ยทางสายกลางคือรู้อย่างที่เขาเป็น อ่<ล><ป>คะกลับนะมาส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูเริ่มฟังซีดีแล้วก็เริ่มดูจิต ด, ดูใจมาประมาณสามเดือนแล้วค่ะอตอนแรกๆที่เริ่มดูเนี่ยเวลามองมาที่ตัวเองก็จะรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ในนี้นะคะ่ะ<อ>แต่ว่าทุกวันนี้ดูแล้วไม่ไม่มีคนนั้นอยู่ในนี้แล้วค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่รู้สึกว่ามีสติตั้งมั่นมากๆอะค่ะปกติแล้วเวลาดูจิตอน่ยก็จะก็จะ ก็จะเห็นความคิดมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่สามารถบังคับเขาได้จริงๆนี่นะคือมันรู้เข้ามาถึงใจเลยอะค่ะอ mm. แล้วก็เช้าวันลุกขึ้นก็มาฟังซีดีแล้วก็เจอตอนที่หลวงพ่อบอกว่าชาตินี้ไหนไหนมาเจอพระพุทธศาสน า, าแล้วก็ต้องเอาให้ได้โสดาบันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. แต่ว่าก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเอออยากจะเป็นโสดาบันแต่พอ อีกพักหนึ่งต่อมาก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อตัวเราก็ไม่มีแล้ว่จิตใจเราก็ไม่มีแล้วแล้วใครจะเป็นโสดาบันล่ะเอย่างเงี้ยก็เลยความรู้สึกที่บอกว่าอยากจะเป็นโสดาบันก็เลยหายไปไอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็โสดาบันไม่ได้เป็นเพราะอยากหรอกมันอยากเรารู้ทันมันไปใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ดีแล้วฝึกไปเรื่อยๆดีแล้วมีต้องปรับเพิ่มหรือว่าลดลงรตรงไหนไหมคะฝึกไปอย่างที่ทําอยู่เนี้ใช้ได้แล้ว ของหนู<ป>ของหนูก็คือจะกลับไปฝึกที่บ้านแล้วก็มาส่งกันบ้านหลวงพอ่อเดือนละหนไม่ไม่ทราบ ว, ว่าใช่ได้ใช่ได้แล้วใช่ไใช่ ไ, ได้แล้วทำเป็นแล้วก็ดูไปอ้าวคุณนูยกมืออยู่ข้างหลังนะเราดูไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันไม่มีเราทำไมมันไม่มีเราอยากทราบว่เาเพราะเรามีสติการที่ไม่มีเราเนี่ยมีหลายเกล็ดไม่มีเราเพราะว่ามีสติไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งนี่อันหนึง่ง อีกอันหนึ่งไม่มีเราเพราะสังโยชน์สักยัตที่ถี่ขาดไปแล้วอันนี้วิธีดูง่ายๆนะตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆว่าวันหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกไหมถ้าโผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่พระโสดา บ, บันถ้านอนไปแล้วไม่โผล่มาอีกเลยก็ใช่นะหลวงพ่อพยากรณ์ให้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รับมอบหมายออกเซอร์ติฟิเคทให้ไม่ได้อ้าวว่าไงครับอยากทราบว่าที่ปฏิบัติมานี่ถูกต้องหรือยังครับ ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าบังคับมากไปนิดนึงยังบังคับตัวเองแรงไปให้รู้สบายๆหน่อยนะรู้ไปเล่นเล่นรู้บ้างเผอบ้างนะอย่างตอนนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหมใจหนีไปคิดครับแล้วบางครั้งมันมีเหนื่อยเื่อยไปคล้ายๆจะหัวใจมันเต้นผิดปกติเงี้ยครับอ่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วรู้มันไปนะถ้าหัวใจเต้นผิดปกติมากๆก็ต้องไปหาหมอนะ อย่าไป น, นึกด้ ว, ว่าทุกอย่างเกิดจากอาการทางใจอย่างเดียวนะรู้สึกไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้อยู่ค่อยๆฝึกความรู้ความเข้าใจมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นเข้าใจอะไรเข้าใจความจริงของกายของใจมากขึ้นมากขึ้นนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเข้าใจอย่างนี้ใช้ได้โดน่นผู้หญิงนั้นนะ่ะดีแล้วนะดูไปจิตมีปีติก็รู้ว่ามีปิติจิตเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละ จิตหลงไปก็รู้ว่าหลงไปหลงไปหนึ่งแคทแวบเนี่ยหลงไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูไปนะไม่ใช่ว่าห้ามหลงนะเนี่ยหลงเรารู้เอาไปอีกแวบหนึ่งแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะพบเลยว่าในเวลาวินาทีหนึ่งที่จิตหนีไปทั้งหลายรอบเนี่ยเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมดูไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยว่าไม่มีเราหรอก ค่ะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูมาฟังเป็นครั้งที่สองค่ะแต่ว่าก็เคยปฏิบัติมาบ้างหนูไม่ทราบว่าเห็นกิเลสไหม เ, เห็นกิเลสบ้างยังไม่ทราบหรือเห็นแต่กุศล <c oughs> รู้ว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใช้ได้ดีแล้วล่ะที่ปฏิบัติมาคือคือหนูไม่ทราบว่าหนูเพ่งเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหนูพยายามที่จะไม่เพ่งแต่ว่าอย่าพยายามสิ มันเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะตรงที่พยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองหรอกอเพราะงั้นไม่ว่าเราพยายามทําอะไรเนี่ยอยากทํากรรมฐานปุ๊บพยายามขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่ทําก็คือการบังคับกายบังคับใจแล้วที่ทํามานีออ่ต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าเวลาเปลี่ยนประโยคไปหน่อ <c> ย <oughs> ดีแล้วดีแล้วนะที่แล้วเหรอคะเออคอฝึกไปเรื่อยเรืเดี๋ยวมันดีกว่า น, นี้อีก นะขอบคุณคุณผู้ชายที่ใส่แว่นที่คุยกับหลวงพ่อตะกี้ยรู้สึกไหมตอนเราหันไปดูเขานะเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมใจเราไหลแว บ, บไปแล้วก็คอยรู้สึกเอา่อา่ตอนนี้ใจไปคิดแล้ ว, ลวก็รู้สึกเอาค่นะากาบนมัสการพระอาจาราย์ค่ะอยากจะเรียนถามว่าที่ปฏิบัติมานี้ ถูกต้องบ้างหรือยังเจ้าคะถูกที่ถูกนะอย่างน้อยคิดจะปฏิบัติเนี่ยคิดถูกแล้วนะอันที่2มาฟังธรรมะเห็นไหมมาหาวิธีปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเราทําถูกแล้วมาเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจคุณรู้สึกไหมใจของคุณโล่งๆขึ้นดูออกไหมดูออกไหมที่ทํามาค่ะหมายถึงพอเรารู้ในตัวกิเลสเรานี่เรียกว่า เราเรารู้คือยังไม่แน่ใจว่าที่รู้นี่จริงหรือเปล่าจริงรจริง<ะ>อย่างพอเราเห็นกิเลสใช่ไหม<ะ>เห็นไหมกิเลสมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวดูออกไหมคือมันเห็นเยอะมากจนคิดว่ามันนั่นแหละภาวนาเก่งถ้าภาวนาเก่งจะเห็นว่ากิเลสเยอะถ้าภาวนาไม่เป็นจะเห็นว่าเราเป็นคนดีไม่มีกิเลสนะ ก็มันมันจะใกล้ที่พระอาจารย์บอกเข้าไปทุกทีแล้วค่ะว่าไม่มีใครเลวเท่าเราอะค่ะใช่ใชนั่นแหละภาวนาเก่งนางแม่มดตัวจริงอยู่นี่เองเห็นไหมค่ะดีมากนะดีภาวนาแล้วเห็นกิเลสหลงพ่อดีใจด้วยเพราะกิเลสนัเป็นศัตรูของชีวิตเราถ้าเราศัตรูเราเลี้ยงไว้ในหัวใจของเราเองนี่นะมันย่ายีเราเราเห็นกิเลสเรื่อยๆต่อไปมันจะกระเด็นออกไปจากหัวใจเรา ใจเราก็จะเป็นอิสระจากกิเลสมีความสุขล้นล้นเลยครานี้อาคุณสุเมศว่าไงไม่ไม่มีการบ้านจะส่งครับมาขอรับคําสอนอย่างเดียวครับใจไม่ตื่นเต็มที่ดู อ, อับไหมวันนี้มันหลงหลงมัว ม, มัวมันหลงหลงมัวมัวแล้วมันก็ซึมๆึมไปด้วยทื่อๆไปด้วยนะเป็นมาสักสองวันแล้วมัครับให้รู้อย่างที่เขาเป็นอยากให้หายรู้ว่าอยากเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างไรราง รู้ลงไปตรงๆนะครับรู้เข้าไปตรงๆรู้ซื่อๆแต่อย่าถลําลงไปรู้ท่องไว้นะว่าให้รู้ไปตรงๆอ่ะแต่อย่าถลําลงไปรู้ครับไม่ทราบว่าขาดสมถะหรือเปล่าครับจะกําลังังเลอยู่ว่าจะทําสมถะต่อยสักนิดหนึ่งให้มันตื่นขึ้นดีไหมครับทำทำนิดหน่อยอย่าทําเยอะเดี๋ยวติดเพ่งครับใจมันฟุ้งมากไปนิดนึงถ้าทําสมถะได้ก็ทำํทำทําสมถะเนี้ยทําเล่นๆอย่าคาดหวังว่าจิตจะต้องสงบ นะถ้าทำไปอย่างมีความสุขเช่นหายใจไปอย่างมีความสุขแปบ๊บเดียวจะสงบหมดเวลาเชิญกลับบ้านไป